สำรวมใจของตนให้ดีคนทั้งคนก็มีใจดวงเดียวนี่แหละรักษาเอาล้วจะไปรักษาอันใดให้ยิ่งกลัวการรักษาจิตนี่มันไม่ถูกต้อง mm. เมื่อจิตนี่มันมีความเห็นผิดเป็นชอบไปแล้ว มันก็ทำชั่วไปก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองแล้วการไปรักษาสิ่งอื่นน่าจะมีประโยชน์อะไรเมื่อไม่ไม่รักษาตนให้ดีแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเช่นไปรักษาแต่เงินทองเข้าคลองรักษาตั้งแต่ บ้านเรือนรักษาตั้งแต่เครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมูนี่หมายความว่าไปเที่ยวรักษาแต่ของรักของชอบใจต่งตางๆหมูนั่นแต่เราไม่รักษาใจตัวเองมันสมควรหรือคิดดูให้ดี มันไม่สมควรเลยเพราะว่าใจนี้ถ้าตั้งไว้ผิดแล้วมันก็ทำทุก์ให้แกตัวเองแหละเช่นตั้งไว้ผิดก็คือว่าตั้งไว้ในบาปอากุศลนั่นแหละเห็นว่าเป็นเรื่องให้มีความสุขเมื่อจิตใ จ, ใจได้น้อมไปทางบาปอากุศลแล้ว ตนก็จะมีความสุขเช่นไปหลอกไปลวงช่โกงเอาสมบัติผู้อั่นเป็นของตนอะไรวันี้นะถ้าไปหลอกเขาได้มาหลายเท่าไรยิ่งดีดีอกดีใจเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นได้มากเท่าใดก็ยิ่งดีอย่างนี้ท่านเดียกว่าตั้งใจไหวพิษมันไม่ใช่หนทางแห่งความสุขเลยแบบนั้น เือบางคนก็เห็นผิดเป็นชอบอย่างดิ่งลงไปทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปไปอันนี้มันชักมีกันนะความคิดความเห็นอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าหากว่าว่าโดยทางอ้อมแล้วไอ้ผู้ที่ไม่ค่อยสํารวม กายว่ า, าใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีมักจะไปทำความชั่วมากกว่าทำความดีเนี่มักจะมีความเห็นผิดเป็นชอบอย่างว่านี่อยู่ในใจน้อยๆนะแต่ก็ยังไม่ปฏิเสธการทำความดีก็ยังมีการประพฤติความดีอยแต่ว่าไปทำชั่วนั้นมากกว่าทำดี อย่างนี้มันชักจะเอียงไปทางเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีไปแล้วทำชั่วไม่ได้ชั่วแล้วเพราะว่าผู้นั้นกิเลสมันหนาเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันก็จูงใจไปทำชั่วแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้นั้นมันมืดแปด้านนะ โมหะเขาครอบงำเต็มที่แล้วไม่สามารถจะวินิจฉัยเหตุผลต่างๆตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บางคนก็เห็นว่าไม่ต้องทำความเพียรอะไรอยู่ไปอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นว่าเป็นอะไรก็มีความสุขความสบายอยู่ ผู้คิดเห็นอย่างนี้มันก็ไม่สนใจเลยในการที่จะฝึกกายฝึกใจของตนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รักษาศีลก็ไม่ยอมรักษาอย่างนี้ไม่ยอมสํารวมสํารวมแต่ พ่อบัญญัติที่ถูกติตนชอบใจที่จุดตนพอใจเท่านั้นถ้าบทบรญญัติใดตนไม่พอใจมันขัดกับกิเลสตัวเองแล้วไม่ยอมไม่ยอมเว้นตามล่วงเกินไปนั่นเดี๋ย ว, วมันเกิดความห็นผิดขึ้นแล้วทรงแนะ น, นำสั่งสอนให้นั่งสมาธิภาวนา เช่นนี้ก็เกิดความเห็นขึ้นในใจไม่สร้างว่าจะไม่ทราบว่าจะนั่งไปมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปทําไมอ่ะนั่งไปแล้วก็แค่นั้นแหละตนก็ไม่ได้ทําชั่วอะไรนี่อใจก็สบายอยู่เมื่อเกิดความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ไม่นั่งสมาธิภาวนาแล้วอื นันเนเพราะองค์ทรงแนะนำสั่งสอนให้เจริญวิปัสนาปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ก็มีความเห็นว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเพราะปัญญาตนก็มีอยู่แล้วไปเจริญอะไรอีกอนตนก็ทามาหาเรี่งชีพได้คล่องแค่วอยู่นี่ หาเงินหาทองก็ได้หาลาภายศอันใดก็ได้อยู่ลรวจะต้องไปเจริญวิปัสนาปัญญาไปทำไมอีกในอย่างนี้ลหละเรียกว่ามันเห็นผิดเห็นผิดเป็นชอบไปไม่ใช่ทางถูกต้องอันนั้นนะ <c oughs> ถ้าผู้ใดถ้ามีความเห็นเช่นนั้นนะก็จะยก ลูกเปียบหรืออุปมาปรปมาให้ฟังกันเหมือนอย่างบาคนจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งอย่างนี้นะเดี๋ยวไปไปคว้าได้ไหมอะไรก็ตัดเอามาแล้วเอามาปลูกขึ้นเลยอย่างนี้มันจะเป็นหรือมันจะเป็นบ้านเป็นเรือนอยู่อาศัยได้หรือไม่ต้องถากเรือไม่ต้องถากกับพี่ไม่ต้องเลือ่อยเหมือนเลย ออกมาทั้งรุ่นทั้งรุ่นเลยอย่างงี้นะแล้วใครจะทําได้อ่ ะ, อะเนี่นอนแล้ทําไม่ได้เลยอือันนั้นบ้านเรือนแต่ละหลังนี่มันจะเป็นได้มันก็ต้องนําไมมาแล้วก็มาแปรรูปออกไปอันนั้นเป็นคืออันนั้นเป็นข้าวอันนั้นเป็นดั่ง อ, อันนั้นเป็นเสา อันนั้นเป็นคานอันนั้นเป็นกระดานอันนั้นเป็นตรงอะไรโมนี้นะก็ต้องเลื่อยแปลรูปออกไปตามเครื่องเรือนนั้นนั้นนะเสร็จแล้วก็จะเอามาประกอบกันเข้าเป็นเรือนขึ้นมาได้หรือเป็นบ้านขึ้นมาได้นี่้องคิดดูตั้งแต่ วัตถุภายนอกนุ่นอันมันจะสำเร็จประโยชน์แก่มนุษย์ได้เมื่อก็ต้องอาศัยการดัดแปลงนะนั่นนะไม่ก็ถากเปลือกกะพี้อันที่ไม่ต้องการออกเพราะว่ามันไม่ทนทานถาวรเลยเปลือกกระพี้นั่นนะเพีย่งนั้นก็ต้องถากออกให้หมดให้มันเหลือแต่แกน อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละให้พากันพิจารณาให้ดีใจของคนเรานี่นะมันมีทั้งดีมีทั้งชั่วผสมประสัยกันอยู่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ดีล้นล้วนแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันมีแต่ชั่วรุ่นล้ว น, วนมันปนเปนกันอยู่นั่นแหละเหตุ น, นั้นน่ะคนเราจึงได้สวย ทั้งสุขสเสวยทั้งทุกข์ครุกเคล้ากันไปในสงสารอันนี้นะแต่ผลสุดท้ายมันก็ลงทุกนั่นแหละปะทุกเพราะอะไรอา้าก็เกิดมาแล้วมีรูปมีนมามอันนี้มาแล้วมันก็มาหวงเห็นกันก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายทันพอมันแก่มันเจ็บมันจะตายเข้ามาแล้วก็เสียดายอะไร ก็ เ, เป็นทุกข์ใจแบบนี้นะนะเดือดร้อนใจไอความสุขที่ได้รับมาแต่ก่อนนั้นหายหน้าไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้มีแต่ทุกข์มาปรากฏในเวลาจวนจะตายนั่นแหละชีวิตอันนี้นะเป็นของม่เที่ยงที่พระศาสดาตรัสไว้ไม่มีพิษความตายเป็นของเที่ยง พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิตออกไปหมดสิ้นแล้วคือกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายยังเหลือแต่ดวงจิตอันบริสุทธิ์พุทธผ่องเท่านั้นอุปมาเหมือนอย่างสร้างสร้างบ้านสร้างเรือนด้วยไม้มันก็ต้องถากเปือกถากกับพรีออกไปอย่างว่านั้นเนี่ย แปลเลื่อยแปรรูปเป็นต่างๆมีเหลือตั้งแต่แก่นไม่เท่านั้นเอาไปปลูกบ้านเรือนอยู่การใสก็จึงทนทานถาวรไปได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยจิตนี้เมื่อลัสิ่งที่ชั่วออกไปให้หมดขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันชั่วแล้วเราก็เพียงละมันไปให้มันหมดไปหมดไป แล้วส่วนใดที่พระศาสดาทรงแสดงว่ามันดีควรทำควรเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตนเช่นศีลอย่างนี้ควรรักษาก็ารักษาให้บริสุทธิ์จริงๆสมาธิอย่างนี้ควรทำเพราะว่าเมื่อไม่ทำใจให้ตั้งมั่นต่อกุศลแล้วใจนี่มันก็เอียงไปทางอากุศล เหตุนั้นจึงควรทำใจให้ตั้งมั่นลงไปเราก็พยายามทำไม่ได้เร็วก็เอาช้าทมไปนั่นแหละเมื่อไม่ท้อไม่ถอยมันก็สงบลงไปวันหนึ่งให้ได้เอาทรงแนะ น, นำให้ภาคเรียนเจริญปิปัสนาปัญญาก็ภาคเรียนพยายามหลังจากทำใจให้สงบลงไปแล้วก็หัดคิดหัดวิจารณ์ ดูก่อนอื่นก็วิจารณ์ดูนามดูรูปดูขันห้าอันนี้แหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ใกล้กับขันห้านี่แล้วมันก็หลงขันห้านี้มานับชาตไม่ทวนแล้วดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาขันห้าอันนี้ก่อนอื่นทั้งหมดอืขันห้านี้ก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปได้แก่ภาวะที่มองเห็นด้วยตานอกตาในตาในก็เพ่งเข้าไปภายในกายตาใจนั่นเมื่อใจตั้งมั่นล้วก็เพ่งดูอวัอยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายในร่างกายนี่อวัยวะภายในนี่ตาหนังนี่มองไม่เห็น มันต้องมองเห็นได้ที่ตาใจนู่นอย่างนี้แหละชวนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมเป็นธรรมไม่มีรูปร่างจะพึงรู้ด้วยใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถจะเห็นด้วยตาหนังเพราะมันไม่มีรูปร่างนี่ ต้องแยกแยะดูให้รู้ให้เข้าใจเวทนาคือความคือความที่จิตสวยอารมณ์ที่มาสัมผัสถูกต้องได้แก่อารมณ์ที่เป็นสุขบ้างอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ถ้าเพิ่มเข้าอีกสองก็ได้แก่อารมณ์ที่ให้เกิดความยินดียิ่งเรียกว่ายินดีมากอารมณ์ที่เกิดให้ให้ให้เกิดความยินร้ายมากเกิดความโทโมนัสครับแค้นใจมากโมนีท่านรวมเรีย ก, กว่าเวทนาแปลว่าจิตสวยอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั้น สัญญาก็คือความจำเช่นมันจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆจำสุขจำทุกข์จำร้อนจำหนาวจำเรื่องราวที่ล่วงมาแล้วต่างๆดีบ้างชั่วบ้างอะไรพวกนี้นะมันก็เป็นเรื่องของสัญญาทั้งนั้นเลย สังขารได้แก่สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างอันนี้ท่านเรียกว่าสังขารทอสังขารโลกนั่นได้แก่สภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นอนอกกายนอ ก, กจิตอันนี้ เช่นแผ่นดินน้ำไฟลมต้นไม้หินกรวดดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆหมูนี้นะอันนี้ท่านเรียกว่าสังขารโลกทั้งนั้นเลยตลอดถึงดวง พ, พระอาทิตย์ดวงพระจันทรดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเห <c oughs> <c oughs> ล่านั้น รวมเรียกว่าสังขารโลกทั้งนั้นเลยสังขารธรรมนี่เมื่อก่าวสั้นๆแล้วก็ได้แก่สิ่งที่ปรุงจิตใจให้คิดเป็นกุศลคิดดีนี่แหละท่านเรียกว่ากุศลธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งใจให้คิดชั่วคิดไม่ดีเช่นคิดอิจฉาพยาบาทผู้อื่น เพ่งเลงอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนในทางทุจริตคิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปเป็นต้นหมู่นี้ล้วนแต่เป็นความคิดที่เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นเลยท่านเรียวกว่าปุญอปุญญาพิสังขารความคิดไม่ดีไม่ชั่วคิดเฉย อันนั้นท่านเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารในตำราบางแห่งท่านก็หมายเอารูปฌปานสี่อารูปฌานสี่นู่นอเนนชาพิสังขาร น, นะแต่ว่าโดยฟังง่ายๆแล้วก็ได้แก่อารมณ์ที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปที่มันเกิดขึ้นในใจนั่นแหละ รวมเรียกว่าสังขารเมื่อแยกออกแล้วมันก็มากมายเลยทีเดียว อ, อารมณ์ที่ก่อให้เกิดบุญกุศลก็เหมือนกันมีมากแล้วก็อารมณ์ที่ก่อให้เกิดบาปอากุศลก็มากเหมือนกัน น, นั่นแหละวิญญาณก็ได้แก่วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายทางใจคือความรู้สึกที่ประจําอยู่ที่ตาเป็นต้นดังกล่าวมานี่นะท่านเรียกว่าวิญญาณ น, นี่วิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งอย่างเช่นตาเมื่อลูกตานี่มันไม่เสียวิญญาณวิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ แล้วมันก็ทำให้มองเห็นอะไรต่ออะไรได้ทำให้รู้รู้ว่านั่นคือรูปอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่ารูปตานี่มันเสียแล้วมันแตกมันำรุดแล้วอย่างนี้วิ ญ, ญญาณเข้าไปอาศัยอยู่ไม่ได้ตานี่ก็มืดมองไม่เห็นอะไรเลยนีย่แหละเศษนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละรูปก็ไม่เที่ยงน้ำมาทำก็ไม่เที่ยง น้ำมาทำก็อาศัยรูปนี่เมื่อรูปนี่แปรปวนไปแล้วน้ำมาทำก็แปรไปรูปนี่แตกดับไปน้ำมาทำก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งคงที่อยู่โดยลําพังได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูอย่างนี้แล้วมันจะเห็นว่า นามกับรูปนี่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่สมควรที่จะมาถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตอนอะไรนี่วิพัฒนาปัญญานะมันต้องเพ่งกันดูอย่างเนี้ยไอ้ส่วนรูปก็เหมือนกันเนี่ยเราก็เพ่งให้เห็นอวัยวะร่างกายนี้เสียก่อน เพราะว่าจิตมันหลงก็หลงร่างกายนี่แหละก่อนอื่นนะเราเพ่งแยกแย่ออกไปเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้น ะ, ะสมมติว่าเอาออกไปเป็นกองมีกองเป็นกอ ง, กองไว้ดูสิตลอดถึงอาการสามสิบสองนี่ได้ลองย้อนมาถามตัวเองดูว่าที่ไหนว่าเป็นตัวเป็นตนของตนนั่นนะ่ะตนจะตอบว่าอย่างไรในวันนี้นะ น, น, นั่นเนี่ยมันก็ต้องตอบว่าไม่มีตัวตนไม่มีอันนั้นก็อผมอันนี้ก่อขนนั่นก่อเล็บอันนั้นก็ฟันอันนี้นก่อหนังอันนั้นก่อเนื้อไปมันมีชื่ออยู่หมดเลยเนี่ยมันไม่มีตนเลยไม่มีตัวอะไรอะเอาลบชื่ อ, อันนั้นทิ้งออกไปแล้ววันนี้ยังเหลืออะไรเหลือธาตุดินกับธาตุน้ำ ธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเองรูปอันนี้เนะี่ยเมื่อรวมลงแล้วนะขั้นเมื่อบุญกุศลยังหล่อเลี้ยงอยู่อวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ ต, ต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นดังกล่าวมานี่มันก็ยังคุมกันอยู่มันยังไม่กระจายออกจากกัน คนก็ไปหลงสําคัญว่าตัวตนเราเขาอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึางสอนให้ใช้ปัญญากระจายรูปกายนี่ออกดูทําไมมันถึงหลงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนักหนาเนี่ยมันมีอะไรอยู่นี้มันมีอะไรเป็นแก่นเป็นฐานอยู่นี่เล้วนี่ ถ้ามันเพ่งอยู่ภายในแล้วกระจายออกไปดูกระจายออกไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนเลยมันก็สิ้นสงสัยเลยเมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นอย่างนี้สิ้นสสิส้นสงสัยว่ามีตัวมีตนอยู่ในนี้นะมันก็เห็นแจ้งขึ้นด้วยปัญญาอันยิ่งนะั้ ว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไระมันเกิดก็เกิดมาด้วยเหตุปัจจัยเกิดมาด้วยบุญด้วยบาปที่บุคคลกระทามาแต่ชาติก่อนนู่นบุญบาปนั่นแหละนำจิตวิญญาณมามาอาศัยธาตุของมันดาบิดาบุญบาปมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ให้ ตกแต่งตาหูจมูกลิน้นกายอาวัยวะน้อยใหญ่ต่งตางๆหมดเนี่ยถ้าบุญตกแต่งมันก็สวยงามหน่อยอบบริบูรณ์ดีไม่บกพร่องถ้าบาปตกแต่งมันก็วิบัติมาแต่เมื่อเกิดรุน่นบางทีมันก็มาวิบัติเอาตอนเกิดมาแล้วก็มีนี่แหละเรื่องของบาปมันเป็นแต่เรื่องที่ ทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้ามองโทมนัดคับแค้นใจเพราะมันผิดหวังนี่ความประสงค์ของดวงจิตนี่เมื่อได้รูปได้กายอันนี้มาก็อยากให้มีรูปกายสวยงามไม่อยากให้อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายวิบัติปกพ่องไปอยากให้มีครบบริบูรณ์ทุกอย่าง อยากให้รูปร่างสวยงามผิวพรรณวัณนะพุดผ่องเมื่อได้รูปร่างอันมาไม่ไม่สมดังความมุ่งหมายแล้วมันกระโทมกนัดละอายคนอื่นเขากอบละอายอันบุนะีมันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในร่างกายอันนี้นะถ้ารู้แจ้งด้วยปัญญามองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิต อย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนะ่ะมันจะได้รูปร่างอันนี้มาไ ม, ไม่สมประกอบก็ตามได้รูปร่างอันนี้มาคี้ร้ขี้เ ล, ละก็ตามหรือได้รูปร่างอันนี้มาสวยงามก็ตามผู้มีปัญญามันก็มองเห็นว่ารูปร่างอันนี้ถึงจะคี้ไร้สวยงามเราก็เพียงแต่อาศัยมันประกอบกุศลคุณงามความดี ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของตนเท่านั้นเองไม่ได้หวังมาอาศัยร่างกายอันนี้เพื่ออย่างอื่นไม่ต้องการอย่างอื่นนะอาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องหาเงินหาทองอะไรไม่ใช่เหรอะหาอยู่หาเงินหาทองนั้นหาคามันเป็นสิ่งจำเป็นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของร่างกายอันนี้ แต่เราหาเงินหนาทองหาเข้าของอะไรมาบำรุงร่างกายอันนี้ก็เพื่อให้ร่างกายนี้มันตั้งอยู่แล้วก็จะได้ประกอบกุศลคุณงามความดีเท่านั้นไม่ได้มุ่งบำรุงร่างกายอันนี้ไว้อย่างอื่นนี่ผู้มีปัญญามันก็ต้องคิดต้องพิจารณารู้เท่าขันห้าอย่างนี้ แล้วการได้มาอยู่อาศัยกันหานี่มันก็เป็นประโยชน์อยู่วันนี้นะได้สั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นในตนได้เพียรละกรรมอันชั่วร้ายออกจากตนถ้าไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานแล้วอย่างนี้มันจะทำอะไรได้นะก็ดูสิมันละชั่วก็ไม่ได้ทำความดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น ผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาเมื่อเห็นคุณค่าแห่งขันห้าอย่างว่านี่แล้วก็ไม่ประมาทกวนนี้นะรีบเร่งทำคุณงามความดีรีบเร่งฝึกฝนจิตใจตัวเองให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกไกรแก้วสามประการซึ่งเป็นที่พึ่งอันเริฐนั้นให้ได้รีบเร่งฝึกฝนจิตนี้ให้มัน ตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลต่างๆบรรดากุศลความดีต่างๆล้วก็รวบรวมเอาไว้ในจิตนี้ให้หมดเลยแต่ละวันแต่ละคืนนั่งภาวนาการรวมเอากุศลเอาคุณพระศัสนไกลมาตั้งไว้ในใจเนี่ยให้ใจสงบนิ่งอยู่ในบุญในคุณ น, นี่แล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาขันห้หเห็นแจ้งตามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นแหละ นั่นแหละได้ชื่อว่าจาักเป็นผู้ทำชีวิตให้เป็นหมันดังกล่าวมาก